ดียิ่งกว่าสิ่งอื่นมาดีจนกระทั่งเป็นผู้วิเศษวิโสทุกสิ่งทุกประการพระพุทธเจ้าก็ว่าเกิดในมนุษย์เถอะก่อนภาษาบอกทั้งหลายก็มาเกิดมนุษย์เองใช่ปะที่จะเป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นสาวกเกิดในพอบอื่นชา่ออื่นไม่ได้เป็นหรอก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 มันมีแต่ใจไม่สราบจะไปะไม่สราบจะเอาอะไรไปประหัประหารทำลายคนอื่นรัดชอบขโมวยเขาก็ไม่เป็นมัน ม, มีกายพูดกหพูดอะไรพูดเท็พูดกหกเขาไม่ได้มไม่มีไม่มีวาจาพูดมันก็ไม่ได้ยินพูดภาษาของเเขาไม่ได้ยิน มนุษย์นี่เท่านั้นเนี่ยที่จะทําความชั่วทุกประการอย่างฆ่าสัตว์กับมนุษย์นี่แหละเป็นคนฆ่าพูดตีวิสานไม่ฆ่าแล้วรักทรัพย์กมนุษย์นี่แหละรักประพฤติที่ใช้ใจกับมนุษย์นี่แหละประพฤติ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 กาเหตุที่เวลารักษาความดีของตนถ้ารักษาความลีของตนได้ก็บริสุดดทธิ์พุทธองจิตใจเบิกบานเรื่จากความชั่วอะไรก็เรื่องจากคือไม่ทําความชั่วห้าประการนะ้วอยู่เย็นเป็นสุขไม่ใช่เราคนเดียวหมูพ่พวกเพื่อนอยู่ด้วยกันมนุษย์ชาวโลกอยู่ด้วยกันเย็น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 อสุภะปดีกูณเปื่อยเน่าปฏิคูณอันนั้นเรียกว่าพวกผมดีขึ้นไปอีกกลัวมนุษย์กลัวธรรมดาอันที่ว่ามาเบื้องต้นนั้นพิจรนารณากายนี้แหละให้มันสงบระงับดับสูญไปหมดจนกระทั่งไม่มีกายมันมีแต่ใ จ, ใจนั่นแหละเรียกของมันเรียกของมนุษย์ไม่ผม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 การพิจารณาที่จะให้ก้ า, กาวหน้ามันต้องถึงความสงบยก่อนเห็นนั้นการที่จะพิจารณาเห็นว่าเป็นของปฏิกูลสุโภกมิแล้วเห็นอสุขะอะไรต่างก็ตามเถอเห็นเป็นทุกข์ก็ตามเถอะถ้าใจไม่สงบแล้วมันไม่เห็ น, นการใจสงบเนี่ยเป็นของสำคัญที่สุดมันจะเกิดเกิดจากใจสงบ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 ไปหมดไปหาได้อยู่คงที่ไหมทั้งเวลามันก็ฆ่าตัวมันเองด้วย้วลามหมดไปมันก็ฆ่าตัวมันเองด้วยนั่นยังได้ชื่อเวลาไออนาตตาให้ห้ามไม่ได้อนาตตามาเถียงกันนัก้าควากม็มีตนมีตัว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 คล้งมีจะไปเสียงเทียงไม่เท่าไมมีที่จสุดคองไม่เที่ยงไม่ท้าวอทั้งสามประกาศเนี่ยอันนีจอย่างทุก อ, อนาตามันรวมอันเดียวกันนะั่นทำให้จากไออนาตตะและอนสูตรพระองค์เทศนาขึ้นอนตตาไปก่อน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 ไม่กิ่งก็คือมันหยุดไม่หมดสมบัติมนุษย์สมบัติเท่านั้นอธิบายเป็นทั้งเรื่องมนุษย์สมบัติมากม า, กมายวกว้างขวาขอยุดเตีเพียงแค่นี้อิจจิตตังจิตังตุสังขิปเมวัสมีจตุสเพปตุเรนตุสังกภาจันโทพนันละโสดะธามณีโชธิรัตโฌยะธา สพพิิโยวัชสัพรนตุมาเตหะตุนตรยสุขีทายกโกเพราะอภิวาชนัสสีิสานิจังอุทาปชายโนสทาโรธมาทันติอายุวันโนสุขังท่าน่าภาวนาต่อไปภาวนาต้องเอาคำปริกรรม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 มันรวมลงไปอ น, นาปาสสติมันก็หายเหมือนกันพุทโธก็หายไปเหมือนกันเรื่องภาวนาทั้งหลายมีหลายอย่างหลายเรื่องอย่างเขาทำยกนอพ่อหนอก็เหมือนกันหรือว่าธรรมะทหารก็เหมือนกันอะไรต่างๆวะไม่แปลกแล ะ, ล ะ, ละ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 การสงบมันมีหลายอย่างอย่างหนึ่งสงบนิ่งเฉยไม่มีอะไรเลยไม่รู้สึกตัวทั้งอีกอย่างหนึ่งรวมลงไปรู้สึกตัวอยู่แต่ฮะเป็นของภายในรู้ภายในตองตนเองเหมือนกับของภายนอกไ ล, ละรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ฮะเป็นของภายใน